ยี่ป แต่พระผู้เป็นดวงจากสุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคําสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็ยนชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เราร้อน ยังคงเป็นมรคคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล่าวควรแล้วอจึงบางคมขอความสุขความสวัสดี จงมาเกิดมีแก่ยศโจมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอาตมภาพพระสมรักยา น, นทีโรวัดพันศีตมบลจารพัฒอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินแต่มาพบปะกับยศโจมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำ ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเชา้าในรายการร่วมธรรมเวลา8ปดนาฬิกาถึงเวลา9ก้นาฬิการายการ<อ>กรวีบทรถธรมรมเวลา12บสนาฬิก า, กาถึงเวลา13บสนาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตเวลา16บหนาฬิกาถึงเวลา17บเนนาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่น เวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกวีบุรถธรรมและเวลา21นาฬิกาถึงเวล า, วนวล า, นวลา22นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตซึ่งเยาโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบางครั้งเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาก็จะลงมาสนทนาธรรมแล้วก็เวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกานี่ก็จะเป็นรายการสนทนาธรรมในรายการธรรมะเพื่อชีวิตด้วยซึ่งญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดรชาชการญาติโยมนะสามารถที่ จะหมุนคลื่นมาที่1 6 7 5เมกะเฮิร์แห่งนี้หลายโยมซึ่งมานั่งทาหน้าที่เป็นประจำเป็นประจำทุกวันในส่วนของรายการธรรมะก็ฟังวันละ6ชั่วโมงครึ่งนี่ก็ถือว่าโ ย, ยมก็จะมีความรู้มากมายพอสมควรทีเดียวเพราะถือว่าอาตมาภาพเองก็พยายามที่จะทำรายการ สดเพื่อที่จะนั่งคูดคุยในบรรยากาศที่สดสดในบรรยากาศที่มองเห็นนะแล้วก็จะพยายามนำธรรมะแล้วนาในส่วนของเนื้อหาสาระที่ญาติโยมเองก็สามารถที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของญาติโยมเองได้เป็นอย่างดีนะฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติได้นี่ถือว่าประสบผลสําเร็จในญาติโยมแต่ถ้าฟังแล้ว ฟังแต่ได้แต่ฟังแต่ก็ไม่ได้นำหลักธรรมไม่ได้ได้นำคำพูดของอาตมาภาพไปประพฤติไปปฏิบัตินี่ก็ยากพอสมควรนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางร6 7 5พยายามที่จะสรรหาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ระเบียบปฏิบัติของญาติโยมมานำฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วย ในในแต่ละวันแต่ละวันน่ะก็รายการที่เกิดขึ้นที่จะมาจัดนั้นก็ดำเนินเดินทางมาเข้าปีที่สี่แล้วละน่ะก็ยังคงนำเนื้อหาสาระเหมือนเดิมญาติโยมมาฝากกับญาติโยมน่ะที่ยังคงเปิดคื่นให้เกียรติรับฟังในส่วนของรายการธรรมะในของสถานีก็ต้องขออนุโมทนาด้วยญาติโยมที่โทรศัพท์เข้ามาติชมรายการ โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการโทรศัพท์เข้ามาสนธนาธรรมกับอัตมภาพในส่วนของรายการต่างๆที่กล่าวแจ้งไปแล้วนะโดยเฉพาะในแต่ละวันแต่ละวันก็มีญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยบ้างโทรศัพท์เข้ามาติชมรายการบ้างโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยอยากให้เล่าเรื่องนั้นบ้างอยากให้เล่าเรื่องนี้บ้างก็จะพยายามทำในส่วนของสามารถทําได้นะญาติโยม ย้ยโยมสามารถสื่อสารเข้ามาสู่สถานีวิทยุในรายการช่วงนี้ได้เพราะว่าเป็นรายการสดก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์044560488 044560488หรือแจ้งความประสงค์ต้องการที่จะบอกว่าได้รับหนังสือแล้วก็ได้ย้ตยโยมซึ่งมียัตยโยมนั้น โทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่าได้รับหนังสือแล้วและก็ญาติโยมประมาณสองท่านด้วยกันแจ้งมาว่ายัางไม่ได้รับหนังสืออันนี้ก็ส่งไปหมดแล้วแหละญาติโยมก็ไม่รู้ว่าไปตกค้างตรงไหนอย่างไรอาตมาภาพก็ไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไปตกอยู่ตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะคุณโยมนายาวะเรศที่บอกว่ายังไม่ได้รับวันก่อนได้โทรศัพท์แจ้งเข้ามาด้วย นะแล้วก็คุณโยมโกศลพันเป็นด้วยบอกว่ายังไม่ได้รับนะก็ต้องรอหน่อยหนึ่งญาติโยมประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่เห็นอย่างไรอาตมาภาพเองก็จะหาหนังสือเล่มใหม่ส่งไปให้ก็แล้วกันเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับญาติโยมในฐานะที่ญาติโยมเองก็อยากจะได้หนังสือเอาไปอ่านนะอยากจะได้หน้ำเสือเอาไปดูเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติในแนวทางของการเป็นชาวพุทธ ในแนวทางของการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีนำเนื้อหาสาระบทสวดมนต์ต่างๆไปไปสวดมนต์ไปอธิษฐานจิตเพราะว่าการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งในการทำสมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่ต่อบทสวดมนต์ก็ทำให้เกิดสมาธิได้ยัตยมอันนี้ก็ถือว่าโครงการแรกก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากยัตยมได้เป็นอย่างดี น่าเกือบหนึ่งร้อยเล่มนี้หมดไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นิกระข อ, อนโมุทนาอายตยมสาธุชนทั้งหลายที่ยังคงติดตามรับฟังรายการของร้อ5ห้าแล้วก็ต้องการที่จะนำสาระสิ่งดีๆน่าไปฝากโลกฝากหลานหรือไปอ่านด้วยตัวเองอ่านเสร็จแล้วก็แจกจ่ายธรรมะให้ธรรมะถือว่าให้ธรรมทานถือว่าได้กำไรแล้วละยายยมกำไรชีวิตชีวิตของเราเกิดมาแล้วนี่ก็ต้อง สู้กันต่อไปถ้าเราสู้แบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องธรรมะนี่ก็จะเปรียบเหมือนว่าเราไม่มีหางเสือในการที่จะเดินทางเพราะว่าการเดินทางของชีวิตเราเนี่ยยังยาวในยาวนานยาวไกลชีวิตเราไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ในขณะ น, นี้ชั่วโมงนี้ยัดยมเราคงจะต้องทําหน้าที่กันต่อไปหน้าที่ของความเป็นคนหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่จะเดินทางต่อไปเรื่อย ๆ, ๆจนท้ายที่สุดก็ แก่เกิดแก่เจ็บตายแล้วกนะ็มีบุญกุศลติดตัวไปถ้าได้อ่านหนังสือเล่มแรกก็คือหนังสือในส่วนของที่ผู้มีจิตศรัทธาที่สร้างหนังสือขึ้นมาก็ส่งมาให้อัตมาภาพนะส่งไปให้ญาติโยมต่ออีกทีหนึ่งนะก็คือวิธีสร้างบุญบารมีในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกถึงวิธีการทําบุญในส่วนของการให้ทานว่าเราจะให้กันอย่างไรถึงจะได้บุญได้กุศลนะแล้วก็ ศีลเราจะรักษาศีลกันแบบไหนเพื่อจะได้บริสุทธิ์แล้วก็ได้อ น, นิสงฆ์มากมายแล้วก็การเจริญเมตตาภาวนาเราก็จะเจริญเมตตาภาวนากันอย่างไรถึงจะได้บุญได้กุศล น, นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอ่านเข้าใจแล้ว ย, ย, ยัาโยมอยากเก็บไว้นะ <c ười> คืออยากเก็บไว้ในที่นี้ไหมถึงว่านังสือเนี่ยเก็บไว้ในบ้านได้แต่อย่าเก็บความรู้ไว้เพียงคนเดียว แจกจ่ายธรรมะด้วยความคิดแจกจ่ายธรรมะด้วยเนื้อหาสาระนําไปเล่านําไปคุยนําไปบอกว่าเออแนวการปฏิบัติอย่างนี้นะนะเผื่อนบ้านนะว่าอย่างนี้นะว่าทําอย่างงี้นะถึงจะได้บุญนี่พระเดศพระคุณท่านได้โพดไว้ในหนังสือได้เขียนไว้ในหนังสือนี่ลองอ่านดูซินี่ทําแบบนี้นะน่าจะได้เป็นหลักวิธีนะบางคนนี่ทําบุญแบบปฏิบัติสืบสืบทอดกันมาโดย ไม่ได้รู้ว่าหลักการทําที่แท้จริงก็ทํากันอย่างไรนะเราจะได้บุญอย่างไรนะซึ่งมีความแนวความคิดที่ผิดผิดไปก็แล้วกันหลายวันที่ผ่านมาก็พยายามที่จะนําเนื้อหาสาระนะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเนื้อหาสาระในส่วนของวันสําคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนามาฝากยัดโยมโดยเฉพาะวันอาสาฬหาบูชา นะวันเข้าพรรษานี่ยญาติโยมถ้าติดตามรับฟังรายการของอัตมาภาพนี่ก็จะเข้าใจนะญาติโยมว่าทําไมต้องเข้าพรรษาเข้าพรรษาทําไมเหตุที่จะให้พระพิษุนะสามารถที่จะไปค้างคืนที่อื่นได้นี่เพราะอะไรที่จะไปค้างแล้วไม่ขาดพรรษานี่เมื่อวานถ้าได้ฟังวันก่อนถ้าได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจนะพระได้ถูกยิ่งขึ้น เพราะบางทีเวลาอาตมาไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะเจอคนถามอย่างนี้แหละนะว่าเอะเวลาเข้าพรรษาแล้วทำไมพระดอกเดินทางไปทาไมไม่ขาดพรรษาหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเราได้ฟังนะอาตมาพูดนะในวันเมื่อวานวันก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเพราะเหตุอะไรนะที่บอกไปแล้วนะยจมเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธถือว่าเป็นรายการประจำที่นำมาเสนอ ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าระเบียบชาวพุทธนี่พูดมาเดือนหนึ่งแล้วละยังไม่จบนะถือว่ามากมายพอสมควรนะระเบียบชาวพุทธที่ผ่านมานี่ก็คุยกันนะพอสมควรญาติยโยมถ้าติดตามรับฟังก็จะได้ความเข้าใจมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบการปฏิบัติการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระประจําบ้านเรือนระเบียบการปฏิบัติการบูชาพระประจําวันอะไรเนี่ย วิธีปฏิบัติการทําสมาธิภาวนาประจําวั น, นระเบียบการปฏิบัติการสํารวจชีวิตประจําวั น, นระเบียบปฏิบัติการทําบุญไส่บาตรพระสงฆ์เราจะใส่บวชใส่บาตรกันอย่างไรระเบียบนายมารยาทในสังคมก็คือการนั่งพับเพียบเขานั่งกันอย่างไรวิธีประนมมือนี่จะประนมมือกันอย่างไร วิธีระเบียบการไหว้เขาจะไหว้กันอย่างไรไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้น้อยไหว้ผู้อาวุโสไหว้ศพเนี่ยเขาไหว้กันอย่างไรระเบียบปฏิบัติการนั่งคุกเข่าเขาจะนั่งแบบไหนผู้ชายนั่งแบบไหนผู้หญิงนั่งแบบไหนการกราบผู้ชายกราบแบบไหนผู้หญิงกราบแบบไหนกราบพระรัตนตรัยกราบอย่างไรการกราบบุคคลและก็กราบศพนั้นกราบกันอย่างไรแล้วก็การแสดงความเคารพต่อสงค์นั้นเขาแสดงความเคารพอย่างไร นะและ ก, การไปหาพระสงฆ์ที่วัดเราไปหากันอย่างไรนะระเบียบปฏิบัติการคําพูดกับพระสงฆ์เราจะพูดกันอย่างไรนะระเบียบปฏิบัติการรับของจากสงฆ์นี่ยเราจะรับจากท่านอย่างไรหรือแม้แต่ระเบียบปฏิบัติการหาเลิกยามนามดีในทางคดีโลกเขาคุยกันอย่างไรในทางคดีธรรมเลิกทางคดีธรรมเนี่ยเลิกกันอย่างไรนะ แล้วก็มาถึงวิธีการจัดสถานที่ทําบุญนะใน刹那ที่เราเป็นเจ้าภาพนี่เราจะตั้งอาสงอย่างไรนะตั้งภาชนะน้ำมนต์อย่างไรนี่เป็นต้นนี่ถ้าได้ฟังแลจะเข้าใจนาะยัดยกเป็นระเบียบวิธีที่ใช้กันทั่วประเทศไทยยัดยกนะใช้กันทั่วประเทศไทยถ้าฟังรายการนี้ไปจัดที่ไหนอย่างไรไม่ต้องไปเกรงกลัวว่าจะผิดหลักประเพณีย ย, ยแล้วก็ระเบียบ ปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์วันนี้จะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์ว่าเราจะนิมนต์ท่านอย่างไรยัดจกยัดโยมเองก็เคยจัดงานนะอาตมาภาพเชื่อว่ายัดโยมเองที่เป็นชาวพุทธนี่ก็จะ อ, อย่างน้อยต้องเคยแล้วละ่ะนะเคยอะไรละ่ะก็เคยจัดงานต่างๆใช่ไหมางานอะไรละ่ะงานบวชหนากงาน สศพ ง, งานแต่งงา น, น ง, งานบรรจุอถิงานอะไรนี่แหละญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็จะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงในส่วนของระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์ว่าการนิมนต์พระสงฆ์เขาจะนิมนต์อย่างไรในงานมงคลนี่จะนิมนต์อย่างไรงานอาวมงคลเราจะนิมนต์กันอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นรายการที่จะนําเสนอกับญาติโยมญาติยโยมที่กดโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการ ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงหลังจาก10นาทีสุดท้ายก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หรือถ้ามีเหตุด่วนจําเป็นอย่างไรต้องการที่จะให้ธรรมมาภาพคุยอย่างไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เช่นเดียวกันญาติโยมนะเดี๋ยววันนี้จะคุยต่อก็แล้วกันเรื่องของระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์ญาติยาจโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การนิมนต์พระสงฆ์ญาติโยม หมายความว่าอย่างไรก็คือการที่เจ้าของงานนะหรือผู้แทนเจ้าของงานนี่นะจะภาพก็ได้หรือเรามอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งนะไปติดต่อไปแจ้งความจํานงกับท่านเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งณนะวัดใดวัดหนึ่งนะเพื่อขออาราธนาคือขอเชิญพระภิกษุ ตามจํานวนที่ต้องการให้ไปประกอบพิธีในงานมงคลหรือว่างานอวมงคลงานมงคลก็คืองานในส่วนดีๆนั่นแหละญาติโยมงานอวมงคลคืองานในส่วนของเรื่องความตายนั่นแหละเช่นงานศพเช่นงานบรรจุอธิงาน1 0งาน50วันงาน100วันเนี่ยถือว่าเป็นงานอวมงคลนะญาติโยมซึ่งว่าเราจะกาหนดจะจัดงานณสถานที่ใดนะ สถานที่หนึ่งเช่นเราจะนิมนต์พระพิสุไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสที่บ้านเหล่านี้เป็นตัวนี้เราจะนิมนต์กันอย่างไรการนิมนต์พระสงฆ์จ เ, เจริญพระพุทธมนต์คำว่าเจริญพระพุทธมนต์นี่ส่วนใหญ่จะใช้ศัพท์ในส่วนของงานมงคลนายจมเป็นงานมงคลถ้าเป็นสวดพระพุทธมนต์ใช้ในงานอาวมงคลถ้าเป็นการเจริญพระพุทธมนต์นั้นใช้เป็นงานมงคลทั่วไป การนิมนต์พระสงฆ์ญาติโยมไปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทำบุญงานมงคลทั่วไปนั้นเราจะนิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนอย่างน้อยนะญาติโยมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหารูปนะคือพระสงฆ์ปัญจวักคือห้ารูปนั่นเอง ส่วนจํานวนพระภิกษุข้างมากนั้นไม่มีกำหนดญาติโยมห้าบ้างเจ็ดบ้าง9้าบ้างนาตามกาลังศรัท ธ, ธาของเจ้าภาพว่ามีกำลังศรัท ธ, ธามากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วการนิมนต์พระนี่ถ้ายิ่งนิมนต์น่ะจานวนมากเท่าไหร่ญาติโยมก็ยิ่งที่จะเพิ่มบุญกุศลมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่า มันขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของญาติโยมด้วยแล้วก็ความพอเหมาะแก่สถานที่ซึ่งจะอำนวยควากสะกให้เป็นประการสำคัญไม่ใช่ว่าบางทีเรานิมนต์พระนี่พื้นที่รับพระได้5รูปไปนิมนต์รูปนี่ก็ไม่รู้จะให้ท่านไปนั่งตรงไหนอ ย, อย่างเนี้นยนะญาติโยมเพราะฉะนั้นต้องดูสถานที่ด้วยดูกาลังทรัพย์เราด้วยว่าเราพอที่จะทาตามกาลังศรัทธาได้มากน้อยแค่ไหน นะถ้าพื้นที่กว้างนะเราก็สามารถที่จะนิมนต์พระได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นยศโยมตัวอย่างยศโยมเช่นการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสหรืองานแต่งงานส่วนใหญ่บ้านนอกเรานี่ไม่ค่อยนิมนต์เท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะนิมนต์พระให้ไปสวดในงานแต่งงานเท่าไหร่นากนักนะส่วนน้อยเพราะว่าประเพณีเราไม่ค่อยมีนะแต่ที่จริงแล้วก็ถือว่า เป็นวิธีนิอ่าเป็นการเจริญพระพุทธมนตรในงานมงคลสมรสนี่ก็ทําได้ญาติโยมการนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนตรเนี่ยวิถีอ่าพิธีทําบุญงานมงคลสมรสนั้นเนี่ยแต่เดิมนะแต่เดิมมานี่นิยมนิมนต์นะพระภิกษุสงฆ์จํานวนคู่จํานวนคู่นะญาติโยมไม่นิยมไม่นิยมนิมนตนะ์สีนนนนนะส่รูปนะ นิมนต์สี่รูปนี่ไปจัดงานแต่งงานนี่ก็อันตรายเหมือนกัน <c oughs> จำนวนคู่ก็จริงแต่ไม่นิยมนิมนต์สี่รูปนะยศยมคือจะนิมนต์หกรูปหนะแต่รูปสิบรูปสิบสองรูปเป็นต้นยศยมไม่นิยมนิมนต์สี่รูปนะ <c oughs> เพราะอะไรก็น่าจะเข้าใจยศจมเพื่อเป็นเพราะอะไรยดยมที่นิมนต์เป็นคู่ก็เพื่อที่จะกำหนด เพื่อที่จะกำหนดแบ่งให้ฝ่ายเจ้าเบ่าและเจ้าสาวน่ะเลือกนิมนต์พระพิสูจน์ที่มีความรู้จักมักคุ้นกับตระกูลของตนฝ่ายล ะ, ะเท่ากันจะได้ไม่ได้เสียเปรียบเสียเปรียบกันนาะยจม่มเดี๋ยวรับสายสักครู่กแล้วกันถ้ามีธุระอะไรหรือเปล่าคุณยกต้องการทราบหรือว่าแจ้งอะไรก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวขอรับสายก็แล้วกันอ่าเงียบหายไป <laughs> ก็ไม่เป็นไรงั้นจะขอรับในส่วนของสิบนาทีสุดท้ายกันแล้วกันย่าโจมทีนี้ยติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่เมื่อกี้นี่นิยมในส่วนของคู่นะยโยมแต่ว่าในสมัยนิยมปัจจุบันยติโจมในอดีตนี่เขานิมนต์เป็นคู่แต่ในสมัยปัจจุบันนี่พิธีทำบุญงานมงคลทุกประเภทนะรวมทั้งพิธีทำบุญงานแต่งงานมงคลสมรสด้วยยติโยม โดยมากนั้นมักจะนิยมนิมนพระพิสุสง์ไปเจริญพระพุทธมนต์จํานวน9รูปนาะยศโยมทําไมเพราะเหตุอะไรถึงนิมนเก้รูปทำไมไม่นิมนแปดไม่ไม่นิมนหกสิบสิเนีน 60, ย่ยเพราะอะไรยศโยมเพราะโดยมากนี่ชาวบ้านถือกันว่าเลข9กายศโยมเลข9นั้นนี่ก็คือการออกเสียงใกล้เคียงกับคําว่า9 กไก่ไม่โทซาอวาแหวนนะ9คืออะไรยศก็คือเก้าหน้านะนะคนเรานะ9หนะ้าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือถือกันตามมหาทักษะพยากรณเพราะฉะนั้นนี่หมายเลขเกนะ้านายยมเลข9เท่ากับเป็นกําลังของพระเกียรติ9ซึ่งอาจจะคุ้มครองป้องกันพยันตราย ได้นานาประการและก็ถือการตามคติทางพระพุทธศาสนาว่าเลข9้านั้นเท่ากับนวหะหรคุณ9ประการถือว่าเป็นเซริมงคลอย่างสูงและก็เป็นและก็เท่ากับโลกุตรธรรม9ก็คือนามีโสดาปัติมกักโสดาปติผลสกตาคามีมกักสกตาคามิผลอนาคามีมกักอนาคามิผลอรหันตามา์มักอรหันต์ผล และก็ น, นิพานซึ่งเรียกว่าโลกุตระธรรม9านี่ซึ่งเป็นผลที่ยอดเยี่ยมสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาด้วยนี่คืองานมงคลสมรสนาะยาจมทุกวันเขานินยมนิมนต์รูปแต่จะนิมนต์ก็ได้8ก็ได้10ก็ได้12ก็ได้แต่ว่าปัจจุบันยาจมเขานิมนต์รูปนะเพื่อให้ทำความเข้าใจเท่านี้ทีนี้ยายมการทาบุญต่ออายุล่ะการทาบุญอายุเนี่ เราจะนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทําบุญอายุกันอย่างไรเหมือนกับญาติโยมไปทําบุญต่ออายุนี่แหละนะนะการนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยไปเจริญพระพุทธมนต์งานทําบุญอายุนั้นนี่ยญาติโยมนิยมนิมนต์พระภิสุสง์จํานวนเกินกว่าอายุของเจ้าภาพขึ้นไปหนึ่งรูปสมมุติว่าอาตมาภาพนะอายุ27อย่างนี้นะ ก็ตรงนิมนท์พระนี่ยี่สิบแปดรูป<ง cabin>นิยมนิมน์พระสงฆ์นี่ยี่สิบแปดรูปเยอะหรือสมมติว่าอายุสี่สิบแปดปีก็นิมน์พระสงฆ์สี่สิบเก้ารูปทำบุญอายุหกสิบปีก็นิยมนิมน์พระสงฆ์หกสิบเอ็ดรูปทาบุญอายุเจ็ดสิบสองปีก็นิยมนิมนท์พระสงฆ์เจ็ดสิบสามรูป นะทบุญอายุ84ปีก็นิยมนิมนพระสงฆ์85รูปเหล่านี้เป็นต้นยัดจมนะไม่มีพระจริงๆในเขตนี้ก็นิมนเก้ารูปก็ได้ยัดจมถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีแล้วก็นิมนน่าจะเกินสักหนึ่งปีก็ได้ยัดจมอันนี้คือการทําบุญอายุทีนี้ถ้าเราจะสะดกเคราะห์ละการนิมนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตงานทาบุญสะดกเคราะห์ เราจะทํากันอย่างไรงาการนิมนต์พระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์งานทําบนสะดอเคราะนั้นเนี่ยนิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวนเท่ากับกําลังพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุญาติโยมนะหมายความว่าโยมเกิดวันไหนจะต้องนิมนต์พระเท่านั้นนะ <c oughs> นะหรือเนะี่ยกำลังพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนั้นนะเป็นกําลังขนาดไหนนะก็ต้องก้อง นิมนพระขนาดนั้นเลยญาติโยมคือเช่นวันอาทิตย์นี่มีกําลัง6เนี่เข้าเสวยอายุนิยมนิมนพระสงฆ์จํานวนหรูปญาติยโยมวันจันทร์นี่มีกําลัง15เข้าเสวยอายุของเรานี่ก็นิยมนิมนพระสงฆ์จํานวน15รูปพระอังคารก็มีกําลัง8เข้าเสวยอายุ นิยมนิมนพระสงฆ์จำนวน8รูปพระพุทธมีกำลัง17เข้าเสวยอายุนิยมนิมนพระสงฆ์จำนวน17รูปพระพฤหัสบดีมีกำลัง19เข้าเสวยอายุนิยมนิมนพระสงฆ์นี่จำนวน1 9รูปพระสุขนี่มีกำลัง21เข้าเสวยอายุนิยมนิมนพระสงฆ์จำนวน21รูป พระเสาเนี่ยมีกำลังสิบเข้าเสวย อ, อายุนิยมนิมนพระสงฆ์จำนวนสิบรูปพระราหูมีกำลังสิบสองเข้าเสวย อ, อายุนิยมนิมนพระสงฆ์จำนวนสิบสองรูปยอดยกเข้าใจตามนี้นะยัดหยมนะถ้าไปหาอาจารย์ผู <c oughs> ้ ด, ดูว่าวันนี้นบคบระหครเราเนี่ยเข้าเสวย อ, อายุตามวันเวลาไหนอย่างไรก็ น, นิมน พระสงฆ์ตามจํานวนกําลังอายุนั้นๆนะญาติโยมการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีงานอาวบมงคลทําอย่างไรการญาติโยมการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีงานอาวบมงคลนั่นคือการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีงานอาวบมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับศพนั่นแหละญาติโยมที่เรียกว่าอาวบมงคลในโยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวนดังกล่าวที่จะได้ชี้แจงต่อไปให้ทราบครั้งหน้านี่แหละญาติโยมนะโดยเฉพาะ เราจะนิมนต์พระในไปงานศพไปงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานอาวะมงคลเนี่ยเราจะจัดได้ถูกต้องถูกตามประเพณีจะทํากันอย่างไรไประการแรกญาติโยมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพนี่ทุกงานต้องมีสวดพระอภิธรรมนิยมนิมนต์พระสงฆ์กี่รูปหลายญาติโยมนะที่เคยเห็นนี่ที่บ้านญาติโยมเองก็เข้าใจนะน่นก็คือสี่รูปเป็นอย่างน้อย คือพิธีสวดพระอภิธรรมนิยมพระสงฆ์จํานวน4ี่รูปเป็นอย่างน้อยยัดโยมถัดจากนี้ไปก็ได้ยัดโยมเกิน4ก็สวดได้ยัดโยมไม่จําเป็นต้อง4แต่เขานิยมน่ะนิยม4ี่เท่านั้นแต่ถ้าจะเกินก็ได้ยัดโยมปราการที่2ก็คือพิธีสวดหน้าไฟเวลาเผาศพน่ะคือตอนที่จะเผาหน่ะหรื อ, อสวดหน้าไฟเวลาเผาแล้วเนี่ยเขาจะสวด นิยมนิมนพระสงศิรูปเป็นอย่างน้อยเหมือนกันญาติโยมสวดเวลาเผาแล้วเนะี่ยเขเรียกว่าสวดหน้าไฟนั่นแหละญาติโยมนะประการที่สามก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลศพเช่นงานทำบุญเจดวันห0สิบวันหนึ่งวันเหล่านี้เป็นต้นญาติโยมก็นิยมนิมนพระสงฆารูป เรูป10รูปยี่สิบรูปหรือตามกําลังศรัทธาและก็พอเหมาะแกสถานที่นั้นๆนะไม่ถึงว่าพิธีสวดพระพุทธมนต์นาโญมถ้าเป็นงานศพเขาเรียกว่าสวดพระพุทธมนต์แต่ถ้าเป็นงานมงคลก็ เ, เรียกว่าพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ญามก็นิยม5 7าเจ็นี่แหละยามตามกําลังศรัทธาและได้เพื่อความเหมาะสมด้วยตามสถานที่ ประการที่4ี่ก็คือพิธีสวดแจงงานชาปนกิจศพพิธีสวดแจงก็สวดก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน20รูป25รูป50รูป100รูป500รูปหรือนิยมนิมนต์หมดทางวัดมีทางวัดเอาทั้งหมดพิสูจสามเนมีเท่าไหรน่นี่สวดหมดได้ยัดยมพิธีสวดแจง งานชาปนกิจศพนิยมประสงค์จำนวน20รูป25รูป5้าสี่รูป100รูป500รูปหรือนิมนต์หมดทั้งวัดเลยว่าอย่างนั้นประการที่5ก็คือพิธีสวดมาติกาบังสุกุลนะกุศลธรรมะอากุศลธรรมะนั่นและญาติโยมนะนิยมนิมนต์พระสงค์จำนวนเท่าอายุ ของผู้ตายที่บำเพ็ญกุศลอุทิศใให้นั่นญาติโยมนะนิยมนิมนพระสงฆ์จำนวนเท่าอายุของผู้ตายที่บำเพ็ญกุศลอุทิศในนั้นเช่นผู้ตายอายุ75ปีก็นิยมนิมนพระสงฆ์75รูปสวดมาติกาบังสุกุลเป็นต้นญาติยโยมหรือจะนิมนจำนวน น, น้อยกว่าอายุผู้ตายก็ได้ตามกำลังศรัทธาสีรูปก็ไม่ว่ากันญาติยโยม เราว่าไม่มีระเบียบข้อห้ามแต่อย่างใดไม่ห้ามนะญาติยโยมสี่ก็ได้5ก็ได้สิก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมจเจดสบห้าเช่นนิยมตามกำลังอายุญาติยโยมคนตายอายุ5้าขวบกว่านิมนห้ารูปนะแต่ว่าก็ไม่มีข้อแม่นะญาติยโยมคือหมายความว่าจะนิมนจำนวนน้อยกว่าก็ได้ญาติยโยม นะตามกำลังศรัทธาไม่มีข้อห้ามแต่ประการใดทีนี้ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายนี่วิธีนิมนพระสง์นี่เขาจะนิมนต์กันอย่างไรนะการนิมนพระสง์นี่เราจะนิมนต์กันอย่างไรการนิมน์พระสง์ไปประกอบพิธีในงานมงคลเนี่ยญาติโยมหรืองานอาว่มงคลางานดีกับงานอาว่ามงคลอะไรญาติยโยมนั้นนี่ก็นิยมนะ มีความนิยมปฏิบัติกันทั่วไปทั้งในการนิมนต์ด้วยวาจาและก็การนิมนต์ด้วยการทำหนังสือดีกานิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นงานพิธีทำบุญส่วนตัวเช่นอะไรหลายยอดยมเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญบ้านประจำปีเหล่านี้เป็นต้นหายัดยมก็นิย ม, น, ยมนิมนต์พระพิสุสงด้วยวาจา นะโดยไปติดต่อนิมนต์ด้วยตนเองบ่ากระผมอยากจะมาอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ากี่รูปก็ว่าไปญาติยโยมอันนี้ด้วยวาจานะญาติยโยมและถ้าเป็นงานพิธีทําบุญเกี่ยวกับทางราชการละ่ะเช่นงานทําบุญพิธีวางศีราเลิกสถานที่ราชการงานพระราชทานเพลิงศพงานทําบุญพิธีเปิดอาคารสถานที่ราชการเหล่านี้เป็นต้นนี่ญาติโยม ส่วนใหญ่แล้วนี่ญาติโยมนิยมทําหนังสือดีกานิมนตเป็นลายลั ก, ก, กษณ์อักษรเพื่อพระสงค์จะได้ทราบกําหนดเวลาที่แน่นอนและก็เพื่อเป็นการป้องกันการหลงการลืมอีกด้วยญาติโยมดังนั้นญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การนิมน์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีในงานมงคลและงานอาวมงคลทุกประเภทนั้นนี่ นิยมกราบเรียนให้พระสงค์ทราบอย่างไรบ้างจะโยมเวลาไปนิมนต์ท่านนะควรจะมีลำดับอย่างนี้นะก็คือพิธีทำบุญปรารบงานอะไรเดี๋ยวเรานิมนต์ว่านิมนต์ท่านนไปงานอะไรพระคุณเจ้าก็บอกว่าพระคุณเจ้ากระผมมาอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าไปงานก็ว่าไปอย่างนี้ไปงานแต่งงานก็ว่าไปไปงานพระราชทานเพลิงศพก็ว่าไปนะ ไปงานทำบุญพิธีวางซีราเลอก็ ว, ว่าไปนี่ปัญ ก, การแรกต้องปรารบงานด้วยประ ก, การที่สองต้องบอกพระพิสูดด้วยว่ากำหนดงานนี่วันที่เท่าไรวันที่นี้วันที่นั้นเดือนนั้นเดือนนี้พศออนั้นพศออนี้ตรงกับวันขึ้นเท่านั้นเท่านี้ตรงกับวันแรมเท่านั้นเท่า น, imer, น, นี้เดือนอะไรไงเดือนสองเดือนอายเดือนยี่เดือนสมเดือน4ี่ก็ ว, ว่าไปพอทราบสองประเด็นแล้วนี่ ก็ต้องบอกท่านด้วยว่าสถานที่ที่ไหนที่บ้านก็ว่าไปนะที่วัดก็ว่าไปนะที่โรงงานก็ว่าไปอันนี้ต้องบอกสถานที่ด้วยนะไม่งั้นพระสงฆ์ไปไม่ถูกประการที่4ี่ก็คือต้องการพระสงฆ์จํานวนเท่าไหร่บอกพระคุณเจ้าด้วยนะบอกท่านเจ้าวาดด้วยกระผมขอราตนานิมนพระสงฆ์จํานวนสิบรูปอย่างนี้นะ ที่วัดของท่านก็ว่าไปประการที่ห้าต้องบอกอะไรท่านด้วยก็คือจะจัดรถมารับหรือจะให้ส่งไปเองก็ว่าไปาถ้าจะจัดรถมารับก็บอกท่านด้วยว่าจะเอารถมารับถ้าบอกว่าไม่มีรถมารับก็บอกว่าท่านพระคุณเจ้าขอให้พระคุณท่านเนี่เอาหายานผานะไปเองนะครับก็ว่าไปแล้วก็ประการที่หแต่ประการที่6ก็คือ จะจัดรถมารับเวลาเท่าไหร่บอกท่านด้วยเวลานั้นเวลานี้จะมารับนะเพราะว่าพระสูตรจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเครียมความพร้อมนาเตรียมความพร้อมที่จะไปในกิจนิมนต์ของญาติโยมนะทีนี้มีข้อควรระวังหน่อยหนึ่งญาติโยมเกี่ยวกับการนิมนต์พระข้อควรระวังอะไรล่ะการนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วฉันเช้าหรือฉันเพ น, นั้น มีวินัยพุทธบัญญัติญาติโยมนะเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันสืบสื บ, สบมาว่านะถ้าทายกหรือผู้นิมนต์เนี่มานิมนต์นี่ไปออกว่าชื่อโภชนะอาหารเช่นกราบรียนนิมนต์พระคุณท่านไปฉันขนมเบื้องไปฉันขนมจีน ไปฉันลาบไปฉันก้อยอย่างนี้เป็นต้นเนี ấy, ่ยโยมน ะ, ะยนะอย่าประพฤตินะอย่าประพฤติเป็นต้นเพราะว่าพระสงฆ์นี่ไม่รับนิมนต์นะถ้าพูดอย่างนี้เนี่พระสงฆ์ไม่รับนิมนต์เนี่ยถ้าใครรับเนี่ยต้องอาบัติอย่างแน่นอนพระภิกษุรูปไหนรับนิมนต์นี่อาบัตินะโยมถ้ารับนิมนต์แล้วฉันนี่คือรับนิมนต์แล้วนี่คือหมายความว่าบอกชื่ออาหารแล้วเนี่ยถ้ารับนิมนต์แล้วฉันฉนี่เป็นอาบัติปาจิตตี ต้องปรับอาบาัติปาจิตตีทุกคำทุกคำที่เรากลืนลงคอไปนะนะพระสงฆ์กลืนลงคอไปก็ต้องอาบัติแล้วนะยนี่ประการต่อมาญาติโยมข้อควรระวังประการต่อมาคือท้ายยกผู้เข้าใจพระวิในพุทธบัญญัติจึงนิยมนิมนต์แต่เพียงว่านิมนต์รับบิณฑบาตนะ นะหรือรับภิกษาหรือนิมนฉันเช้าหรือฉันเพนดังนี้นะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงจะรับนิมนได้ไม่มีโทษทางพระวินัยนะอย่าโยมจําไว้ด้วยเวลาไปนิมนพระไปฉันเพนก็บอกเพียงแค่เท่านี้ก็พอว่านิมนพระคุณเจ้าไปฉันพัฒหารเพนที่บ้านของดิฉันไปบ้านของกระผมอย่างนี้นะนิมนต์พระคุณท่านรับบิณฑบาต ท, ที่บ้าน อย่าไปบอกนะญาติโยมอย่าไปบอกว่านีมมนพระคุณท่านไปรับขนมเบื้องนีมนพระคุณท่านไปรับขนมจีนอย่างนี้ห้ามประพฤติญาติยโยมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพระสง์รับไปแล้วฉันเนี่ยต้องปรับอาบัติปาจิตติทุกคำที่กลืนลงไปในลำคอนะฝากไว้ญาติโยมด้วยก็แล้วกันเวลาจานิมนพระก็ควรระวังนะ ดีการนิมนพระนี่ก็ไม่มีรูปแบบนะยะโจมไม่มีรูปแบบกัดกฎเกณฑ์แต่ว่าควรมีข้อความนะบางส่วนก็ก็น่าจะมีเช่นข้อความว่าขออาราธนาแล้วก็เขียนชื่อว่าพระสมรักญายา น, นีโรอย่างนี้เป็นต้นวัดพันสีนะเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์ก็แล้วแต่จะใช้เฉพาะงานแล้วฉันพัฒหารเช้าหรือเพลงก็แล้วแต่ แล้วก็เขียนว่าในงา น, นาในงานอะไรล่ะในงานมงคลสมรสวันที่เท่านั้นเดือนเท่านี้พศเท่านั้นนเวลานี้ตรงกับวันขึ้นแล้วก็แรมกี่ขําก็ว่าไปเดือนนี้เดือนนั้นเดือนอายเดือนยี่ก็ว่าไปณบ้านเลขที่เท่าไหร่นถนนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ลงชื่อผู้อาราชนานิมนต์ นะผู้ราษนาก็ว่าว่าไปนะวันที่เดือนนี้ก็คือไม่มีข้อจํากัดกฎเกณฑ์นายโยมดีกาอาราธนานาะโยมก็เอาไปใชใ้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันสมมุติถ้าเป็นงานาที่เป็นงานเกี่ยวกับราชการหน่อยก็ควรทําดีการนิมนต์นายโยมแต่ถ้าเป็นงานส่วนตัวก็ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นายโยมก็เพียงแค่นะมานิมนต์พระคุณท่านให้ไปฉันนะหรือไปร่วมพิธี จเจริญพระพุทธมนต์งานอะไรก็ว่าไปอันนี้นํามาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะก็เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์สําหรับญาติโยมที่จะจัดงานกันต่อไปว่าเราจะจัดงานแล้วนี่ควรทําอย่างไรให้ถูกระเบียบถูกวิธีถือว่าเป็นระเบียบพิธีกรรมของชาวพุทธเราเอาไปใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทยนี่ใช้ได้นะญาติโยมนะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะวันนี้ก็ คงจะนําเสนอในส่วนระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธในเรื่องของการนิมนต์พระนะกับญาติโยมนะเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะวันพรุ่งนี้ต้องติดตามรับฟังระเบียบพิธีปฏิบัตินะการใช้ได้สายศิลญาติโยบนะเราจะใช้กันอย่างไรนี่สายศิลแปลว่าอะไรนะทำไมเขาจะเรียกว่าสายศิลสายโยงเป็นแบบไหนนะ ก็ต้องรู้นาะยาตโยมนะเพื่อจัดงานพิธีต่อไปจะได้เรียกถูกอะไรเรียกว่าสายศินอะไรเรียกว่าสายโยงนะประโยชน์ของพิธีกรรมต่างๆ่นะความนิยมในการใช้ได้สายศินเคเขานิยมใช้กันอย่างไรนะการวางได้สายศินรอบบ้านเรือนนี่เขาจะวางกันอย่างไรนะการวิธีการวงได้สายศิลนี่เขาจะวงจากไหนไปทางไหน เวียนซ้ายเวียนขวาเวียนหน้าเวียนหลังอะไรอย่างนี้ <c oughs> นาการใช้ได้สายศิลทอดผ้าบังสุกุลนี่เขาจะใช้กันอย่างไรนาการใช้ได้สายศิลรร ม, มงคล <c oughs> เขาจะทํากันอย่างไรต้องติดตามวันพรุ่งนี้หรือาบางทีไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้มาจัดรายการก็จะไว้วันหลังก็แล้วกันแต่ว่าจะหาเวลามาให้ได้ระยะจบน่ะก็มา ทำรายการให้กับญาติโยมได้รับฟังกันต่อไปก็ถือว่าเป็นระเบียบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าถึงจะเป็นหนักเปลือกแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีญาติยโยมนะเพราะว่าจะถือว่าเป็นระเบียบพิธีในการปฏิบัติต่อไปเดี๋ยวมีสายเข้ามานี่ขอรับเป็นครั้งที่สามตะติยมปิก่อนก็แล้วกันญาติยโยมนะแต่โทรศัพท์เข้ามานี่ก็อย่างว่าเลยญาติโยมกลัวหมดเงินหรือเปล่าไม่ทราบ นักก็ขออนุโมทนายอดยมที่ติดตามรับฟังรายการร้อยหกจเมก้เฮิร์ที่ติดตามเป็นประจําทุกวันทั้งคุณโยมที่อยู่ในส่วนของตําบลรักแงงอยู่ในส่วนของตําบลหนองบัวอยู่ในส่วนของตําบลหนองขาวตําบลช่างปีตําบลผักใหม่ตําบลจารพัฒตําบลตรมไพรตําบลหนองเหล็กตําบลนานวนอําเภอสนมนาตําบล กุดหวายนาะตำบลสีสุกิ่งสีนรงนาะแล้วก็อำเภอปรางกูบางสวนด้วยที่ติดตามรับฟังตำบลยางนาะแล้วก็ตำบล น, นองหนองเทพนะก็มีมานาะแล้วก็หลายพื้นที่เหมือนกันตำบลกาแก้วด้วยพระเด็จพระคุณท่านพระอาจารย์ตินทองนะ่ก็รับฟังเป็นประจำด้วยว่าอย่างนั้น นะและก็หลายคนหลายท่านที่เดี่ยวญาติโยมในต้องขออนุมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพแล้วก็ในแจ้งความประสงค์มาหลายเรื่องหลายประการช่วงนี้เหลือเวลาอีก5นาทีญาติโยมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาธรรมมาติชมรายการของอาตมาภาพได้นะเป็นเวลาที่เปิดโอกาสให้กับญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามานะถ้าไม่มีโทรศัพท์มาอย่างไรญาติโยมก็สามารถที่จะ เข้าไปติชมรายการผ่านเว็บไซต์ได้นะยะโจมรายการของอาตมาภาพก็จะพยายามนําเนื้อหาสาระนะําไปเผยแพร่นะเผยแพร่นะให้กับยะโจมทีม่ไม่สามารถที่จะเปิดคลื่น 106.75 เมกเฮิรตได้ก็สามารถที่จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะยะโยมเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ก็คือ w w w s r r u a c dot t-h-slash-o-r-g-slash- ปริยัติธรมชื่อยาวหน่อยก็แล้วกันแต่คงไม่เป็นไรนะชื่อยาวไม่เป็นไรนะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ชมได้หรือที่จะก็สามารถส่งอีเมลไปสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันที่อีเมล s o m n a r a k 43แล้วก็ตัว น, นและนะแล้วก็ h-o-t-m-a-i l. จุดนั่นแหละนะ .com นะก็ ค, คือสมรัก43 @hotmail.com นั่นแหละญาติโยมนะก็ไปฝากกระทู้ได้นะไปฝากกระทู้ได้ที่กระทูนะร่มธรรมนะก็ในเว็บไซต์ได้เหมือนกันญาติโยมหรือติชมมาที่สถานีวิทยุเขียนเป็นจดหมายจากหน้าซองถึงรายการของอาตมาภาพก็ได้หรือเพียงแค่จากหน้าซองถึงสถานี วิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศีตำบลจารพัฒต์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทรหัสไปรษณีสามสองหนึก็ได้ย่าโจกก็ถึงได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันนะก็ใช้โทรศัพท์ก็ง่ายสะดวกนะถ้าใช้โทรศัพท์ก็โทรมาที่044560488กนะก็ขออนุโมันาที่ติดตามรับฟังรายการ ค่ำคืนนี้นะเวลา18นาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิกาก็ติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพต่อที่รายการนะกวีบทรถธรรมแล้วก็เวลา21นาฬิกาสทุ่มถึงสี่ทุ่มนี่ก็ฟังสนทนาธรรมกับอาตมาภาพและกกับพระอาจารย์สุพัฒพัธวโรนในหัวข้อมงคลชีวิตมงคล38ปประการนี่แหละญาติโยมติดตามรับฟังญาติโยมไม่เคยเห็นพระ นั่งคุยจัดรายการสองรูปนี่ต้องสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะก็ติดตามไปก็แล้วการญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาพาพระสมรักษ์ยานทีโรวัดพันสีตำบลจารพัฒอำเภอสิขรภุมิจังหวัดสุรินต้องขอลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านขอ จเจริญพร